ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเวินยะสังฆะอัตตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวสีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมะขโมยแปลเรื่องที่สิบสองรูปิยดิปฏิทฐานะวินิจฉัยกถาต่อเรื่องของการรับรูปิยะเป็นต้นถามว่า ก็ในกับยักการรกทั้งปวงจะเพึงปฏิบัติอย่างนี้หรือตอบว่าไม่ต้องปฏิบัติอย่างนี้แท้จริงชื่อว่ากับยักการกรกนี้โดยสังเกตมีสองอย่างคือผู้ที่ถูกแสดงหนึ่งผู้ที่ไม่ถูกแสดงหนึ่งก็คือชี้ตัวกับไม่ชี้ตัวในสองพวกนั้นกับยักการรกผู้ที่ถูกแสดงมีสองคือผู้ที่พิสูแสดงอย่างหนึ่งผู้ที่ทู่แสดงอย่างหนึ่ง แม้กับพิยาการกที่ไม่ถูกแสดงก็มีสองอย่างคือกับพิยาการกผู้ออกปามเป็นเองต่อหน้าคนหนึง่งกับพิยาการกรับหลังคนหนึง่งบอนดาปิยาการกที่พิกษุแสดงเป็นต้นนั้นกับพิยาการกที่พิสูจแสดงมีสี่อย่างด้วยอำนาจต่อหน้าและรับหลังแม้กับิยาการกที่ทู่แสดงก็เช่นเดียวกันนั่นแหลก็มีสี่อย่างเหมือนกันเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมส่งอากาศียะวัตถุไปด้วยทูตเพื่อประโยชน์แกจีวรสำหรับทิสุทูตเข้าไปหาทิสุรูปนั้นกล่าวว่าท่านขอรับท่านผู้มีชื่ออย่างนี้ส่งอากาศยะวัตถุนี้มาเพื่อประโยชน์แกจีวรสำหรับท่านขอท่านจงรับอากาศิยะวัตถุนั้นก็คือรับเงินทองไปเถอะทิสุห้ามว่าอากาปิยะวัตถุนี้ไม่สมควรต้องห้ามอย่างนี้นะ เงินตอนนี้ไม่สมควรกับท่านพิสุโยมทูตถามว่าท่านขอรัช ก, ก็วายายวัจกรของท่านมีอยู่หรือและวัยยวิจกรทั้งหลายที่พวกอุบาสกผู้ต้องการบุญสั่งไว้ว่าพวกท่านจงทําการรับใช้แก่พิสูตทั้งหลายหรือวัยายวิจกรบางพวกเป็นเพื่อนเคยเห็นเคยคบกันมาของพิสูตทั้งหลายมีอยู่บรรดาวัยายวิจกรเหล่านั้นคนใดคนหนึ่งนั่งอยู่ในสำนักของพิสูตในขณะนั้น พิจุแสดงคําว่าผู้นี้เป็นวัทยวจกรของพิกจุทั้งหลายดังนี้พูดก็มอบอาขับยันวัตถุไว้ในมือของวัทยวจกรของพิกจุนั้นสั่งว่าท่านจงซื้อจีวรถวายพระเสระดังนี้แล้วไปนี้ชื่อว่าวัทยวิจกรที่พิกจุแสดงต่อหน้าก็คือวัทยวิจกรนั้นอยู่ในสํานักของพระพิกษุคืออยู่ต่อหน้าในขณะนั้นเองพิกจุก็เป็นคนชี้เป็ลคแสดงอย่างหนึ่งและ ถ้าวัยาวิจกรมิได้นั่งอยู่ในสำนักของพิกษุอั น, นึ่งแลพิกจุย่อมแสดงขึ้นว่าคนชื่อนี้ในบ้านชื่อนโนหนเป็นวัยวิจกรของพิกษุทั้งหลายพูดนั้นไปมอบอากาศยะวัตถุไว้ในมือของวัยวิชกรนั้นสั่งว่าท่านพึงซื้อจีวรถวายพระเถระกลับมาบอกแก่พิกษุแล้วจึงไปวัยาวิจกรนี้ชื่อว่าผู้อันภิกษุแสดงไม่พร้อมหน้าอย่างหนึ่งก็คือ พระวิสุ์ก็แสดงชี้บอกว่าโน้นอยู่ในบ้านนั้นน่ะคนชื่อนั้นก็บอกกับทูตทูตก็สทาทับไปให้แล้วก็กลับมาบอกพระวิสุทอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นวทยุวิจิตรประเภทที่สองไม่ได้อยู่ต่อหน้าก็คืออยู่รับหลังนั่นเองแต่พระวิสุก็ชี้บอกแสดงสก็แลทูตนั้นมีได้มาบอกด้วยตนเองเลยแต่กลับวานผู้อื่นไปบอกว่าท่านขอรับ ทัพตําหนักจ่ายค่าจีวรผมได้มอบไว้ในมือผู้นั้นขอท่านพึงรับเอาจีวรเถิดวยุวิจกรนี้ชื่อว่าผู้อ่านพิกจุไม่แสดงพร้อมหน้าอย่างที่สองอันนี้ก็เป็นบุคคลที่สามเลยนะก็คือพระพิกจุแสดงรับหลังนั่นเองหมายถึงว่าวเวายุวิจกรนั้นอยู่ในบ้านนู่นก็บอกกับทูตว่าคนนั้นเป็นวายวิจกรพูดก็นําทรัพไปมอบไว้กะเป๋าแล้สั่งให้ซื้อจีวรถวายพิจุ แต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้มาบอกพระพิกษุส่งคนอื่นมาบอกนะนี่ก็เป็นวิทยา ว, วิจกรที่พิกษุแสดงไม่พร้อมหน้าแต่ว่าเป็นประเภทที่สองแต่เป็นบุคคลที่สามนะนะที่พระภิกจุแสดงทวดนั้นไม่ได้วานคนอื่นไปเลยแต่เมื่อจะไปบอกพิจุแล้วว่าผมจักมอกบทรัพย์สําหรับจ่ายจีวรไว้ในมือแห่งผู้นั้นขอท่านผู้รับเอาจีวเรเถิดผู้นี้ชื่อว่าวิยา ว, วิจกรที่พิกษุแสดงไม่พร้อมหน้าอย่างที่สาม ก็เป็นบุคคลที่สี่อันนี้ก็หมายถึงว่าไม่ได้กลับมาบอกพระพิจุแล้วก็ไม่ได้ส่งคนอื่นมาบอกพระพิจุด้วยว่ามอบทรัพย์ให้กับวยเยวิจกรอนแล้วแต่ตนเองก่อนจะไปก็บอกว่าผมจะมอบทรัพย์เอาไว้ให้ท่นานตองการชิวอก็ไปเรียกร้องเอาจากวยเยวิยกรเพราะฉะนั้นเวยเยวิจกรที่พระพิจุแสดงมีสี่บุคคลแต่ว่าเป็นสองประเภทคือบุคคลหนึ่งแสดงก่อนหน้าเลยวยเยวิจกรนนั้นอยู่ต่อหน้ากับอีกสามบุคคลอยู่รับหลัง อยู่รับหลานก็ให้ทูตเอาเงินไปให้เอาทัพย์ไปให้ทูตเนี่ยเขาเอาทัพย์ไปฝากไว้กับไปยุติกรแล้วก็ตนเองกลับมาบอกอันนี้ก็ประเภทหนึ่งไม่กลับมาบอกแต่ว่าส่งคนอื่นกลับมาบอกนี่ประเภทหนึ่งแล้วก็ไม่กลับมาบอกไม่ส่งคนอื่นกลับมาบอกด้วยแต่ว่าก่อน <c oughs> ไปก็บอกไว้แล้วว่าจะเอาเงินจะเอาทัพย์ไปให้กับไปยุติกรคนนั้นก็เลยกลายเป็นสี่ประเภทนี้พิสษุ์เป็นผู้ที่แสดง ด้วยประการดังกล่าวมานี้วัทยวิจกรสี่จำพวกเหล่านี้คือผู้ที่พิกตุแสดงต่อหน้าจำพวกหนึ่งผู้ที่พิกตุแสดงไม่พร้อมหน้าสามจำพวกชื่อว่าวัทยวิจกรที่พิกษุแสดงในวิทยาวิจกรสี่จำพวกนี้พิจตุเพึงปฏิบัติโดยในที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในราชาคิขาบทนี้แหละก็คือถ้าฝากทรัพย์เขาไว้แล้วก็ไปทวงเขาได้ ไปทวงได้สามครั้งไปยืนได้หกครั้งปฏิบัติตามสิกขาบทที่สิบในราชาสิกขาบทในนิสกิยปจิตติจิวรวัตไปทวงได้สามครั้งไปยืนให้เห็นได้หกครั้งหรือว่าจะทวงทั้งหมดเลยหกครั้งก็ได้หรือว่าจะยืนอย่างเดียวก็ได้สิบสองครั้งไปคนละวันคนละวันก็ได้หรือว่าวันเดียวก็ตามถ้าครากบกำหนดนี้ก็ ไม่เกินนี้ได้จีวรมาก็ใช้ได้แต่ถ้าเกินนี้ได้จีวรมาก็เป็นนิสักยิยปฏิติทิศุอีกรูปหนึ่งถูกทูต ถ, ถามแล้วโดยนายกนนั้นแลเพราะวิทยบริกรไม่มีหรือเพราะไม่อยากจะจัดการจึงกล่าวว่าพวกเราไม่มีกขปิยาการกและในขณะนั้นมีคนบางคนผ่านมาทูดจึงมอบขปิยาวัตถุไว้ในมือของเขาแล้วกล่าวว่า ท่านพึงรับเอาจีวรจากมือของผู้นี้เถิดแล้วไปเสียวิยญาณวิจกรนี้ชื่อว่าผู้อันทูดแสดงต่อหน้าอย่างหนึ่งอันนี้ทูดเป็นคนบอกเป็นคนชี้เป็นคนแสดงและปิสุไม่ได้แสดงนะและมีข้อปฏิบัติที่ต่างกันก็ยังมีอีกคนหนึ่งก็คือยังมีทูดอื่นอีกเข้าไปในยังบ้านแล้วมอบอกับยาวัตถุไว้ในมือของผู้ใดผู้หนึ่ง ที่ชอบพอกันแล้วก็มาบอกอันนี้ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งเป็นทูตประเภทที่สองเป็นวิทยุพิธีกรประเภทที่สองที่ทูตชี้ทูตแสดงแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือวานผู้อื่นบอกโดยในก่อนนั่นแลแล้วเข้าไปในบ้านบมอเดี๋ยวผมจะเข้าไปเอาทรัพย์ไปฝากไว้กับเวิทยุพิธีกรหน่อยเดี๋ยวผมหาเองพอไปถึงก็ไปมอบไว้ให้กับคนนั้นคนนั้นแล้วก็วานผู้อื่นกลับมาบอกให้พิสูจนายเดียวกันนะนะ แต่ว่าอันนี้ทูตแสดงไม่ใช่พระพิสุท์แสดงแล้วก็ต่อไปอีกคนหนึ่งก็คือกล่าวว่าผมจะให้ทรัพย์สําหรับจ่ายจีวรไว้ในมือของคนชื่อนู้นท่านพึงรับเอาจีวรเถิดดังนี้แล้วก็ไปเสียวัยเยาวชนิกรที่สามนี้ชื่อว่าผู้ที่ทูตแสดงไม่พร้อมหน้าด้วยประการดังกลา่าวมา น, นี้วัยเยาวชนทั้งสามบุคคลวัยเยาวชนทั้งสามอันหลังเนี่ย ไปถึงผู้ที่ทูตแสดงไม่พร้อมหน้าส่วนแสดงพร้อมหน้าคนหนึ่งทูตแสดงพร้อมหน้าเพราะว่ามีคนผ่านมาทูตก็เลยเอาทรัพย์ให้กับเขาไปเลยแล้วก็บอกเป็นสุให้เรียกร้องอาชีวอนจากบุคคลนี้ที่แสดงพร้อมหน้าส่วนรับหลังสามก็คือเข้าไปในบ้านแล้วก็กลับมาบอกว่าในฝากทซั์ไว้กับบุคคลนั้นแล้วให้ไปเรียกร้องอาชีวรได้ที่คนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็วานผู้อื่นกลับมาบอก เอาซ้ำไปฝากกับใครๆในบ้านแล้วก็วานผู้อื่นกลับมาบอกว่าให้ไปเรียกร้องเอาชีวรจากบุคคลนั้นส่วนบุคคลสุดท้ายก็คือก่อนจะเข้าไปในบ้านบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะเอาซ้ำไปฝากไว้กับคนนั้นคนนั้นให้ไปเรียกร้องเอาชีวรจากบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นก็มีสี่ประเภทเหมือนกันนะก็คือทูตแสดงต่อหน้าคนหนึ่งกับทูตแสดงวัยวิทยกรนับหลังสามคนก็รวมเป็นสี่เหมือนกัน ด้วยประการดังกล่าวมานี้วิยวิจกรสี่จำพวกเหล่านี้ค morning, ือว well ิยวิจกรที่ทูตแสดงต่อหน้าจำพวกหนึ่งไวิยวิจกรที่ทูตแสดงไม่พร้อมหน้าสามจำพวกชื่อว่าวิยวิจกรที่ทูตแสดงในวยาวิจกรสี่จำพวกเหล่านี้ทิสุพึงปฏิบัติโดยในดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในเมธะกะสิกขาบทนั่นแหลสมจริงดังพระดารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า เทกสุดทั้งหลายมีอยู่พวกมนุษย์ที่มีศรัทธาเลื่อมใสมนุษย์เหล่านั้นย่อมมอบหมายเงินไว้ในมือแห่งกัปปิยการรกทั้งหลายสั่งว่าพวกท่านจงจัดของที่ควรถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าด้วยเงินนี้เทืกสุดทั้งหลายเราอนุญาตให้ยินดีสิ่งของซึ่งเป็นกัปปิยะจากเงินและทองนั้นเทืกสุดทั้งหลายแต่เราไม่กล่าวว่าพิสุพึงยินดีพึงแสวงหาทองและเงินโดยป ร, ริยายไรไรเลย ก็คือไปขอวัตถุปัจจัยสีต่างๆไ ด, ได้ได้ตลอดเวลาไม่มีการกําหนดนับครั้งไในเรื่อยๆแต่ว่าไม่ให้ยินดีในตัวเงินตัวทองเท่านั้นเองในอธิการแห่งวิเวศกรสี่จำพวกที่ทู่แสดงนี้ไม่มีกําหนดการทวงการ ท, ที่มิกษุผู้ไม่ยินดีมูลค่าก็คือไม่ได้ยินดีในเงินทองนั้นยินดีแต่กับพิญญพันธ์โดยการทวงหรือว่าการยืน แม้ตั้งพันครั้งก็ควรไปทวงไปยืนเอาเท่าไหรตามชอบใจได้เลยถ้าวัยวิตยกรนั้นไม่ให้แม้จะพึงตั้งกับพิยาการกอื่นให้นํามาก็ได้ถ้ากับพิยาการกอื่นไม่ปรารถนาจะนํามาภิกษุพึงบอกแม้แก่เจ้าของมูลค่าคือเจ้าของเงินทองนั้นถ้าไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องบอกก็คือถ้าอยากได้ปัฏิสีก็ไปทวงเอาถ้าทวงแล้วก็ไม่ให้ก็ไปบอกกับวัยวิตยกรด้วย ถ้าไม่ปรารถนาปัจจัยสี่นั้นก็ไม่ต้องบอกอันนี้ไม่มีโทษไม่มีอ ბ ัติแต่ว่าสําหรับถ้าเขาฝากทรัพย์มาให้กับทูตแล้วพระภิกษุปเป็นผู้ชี้บอกวิทยุวิจกรนั้นถ้าวิทยุวิกรนั้นไม่จัดเข้าขอปัจจัยสีมาให้อันนี้ต้องกลับไปบอกกับเจ้าของทรัพย์ถ้าไม่กลับไปบอกนี่มีอบัติเกณฑ์สามมิรรมนี้ต้องไปบอกเจ้าของเขาเมียอบัตทุกกฎทําไม่ไปบอก พิสูอีกรูปหนึ่งถูกทูดถามโดยในก่อนเหมือนกันกล่าวว่าพวกเราไม่มีกับยยาการกคนอื่นจากทูดนั้นยืนอยู่ใกล้ๆได้ยินจึงกล่าวว่าผู้เจริญโปรดนำมาเถิดผมจักซื้อจีวอถวายพระคุณเจ้าทั้งนี้ทูดกล่าวว่าเอาเถิดท่านผู้เจริญท่านพึงถวายแล้วมอบไว้ในมือของผู้นั้นไม่บอกแกพิสูเลยไปเสีย นี้ชื่อว่าัปิยะการกผู้ออกปากเป็นเองต่อหน้าอันนี้ก็อีกบุคคลหนึ่งก็คือไม่ใช่พิกษุเป็นคนแสดงไม่ใช่ทูตเป็นคนแสดงแต่ว่าตัวขปิยาการกนั้นก็ออกปากขอเป็นเองต่อหน้าด้วยพูดอีกคนหนึ่งมอบอกักบิยะวัตถุไว้ในมือของอุปถาของพิกษุหรือคนอื่นสั่งว่าท่านพึงถวายจีวรแก่พระเถระแล้วหลีกไปจากที่นั้นทีเดียว นี่ชื่อว่ากัปปิยการกรับหลังก็คือทูตนี้เอากัปปิยะวัตถุไปไว้กับอุปถาคนใดคนหนึ่งของมิสุหรือว่าใครๆก็ตามแล้วก็สั่งว่าให้ถวายจีวรกับพระเถระแล้วก็ไม่ได้กลับมาบอกพระเถระไม่ส่งทูตมาบอกด้วยนะไม่ได้บอกก่อนด้วยแล้วก็ไปเลยทันทีคั น, นี้ก็เป็นกัปิยการรกรับหลังฉะนั้น กับยักกะรกทั้งสองนี้จึงชื่อว่ากับยากกะรกที่ทูดไม่ได้แสดงที่สุก็ไม่ได้แสดงด้วยในกับยากกรกทั้งสองนี้พึงปฏิบัติเหมือนในผู้มิใช่ญาติมิใช่ปรวรณาฉะนั้นถ้ากับยากกรกที่ทูดไม่ได้แสดงทั้งหลายนำจีวอนมาถวายเองภิกษุ พ, งพึงรับถ้าไม่ได้นำมาถวายอย่าพึงพูดคำอะไรอะไร อันหนึ่งเมื่อมีผู้นําอากาบัญวัตถุส่งมาถวายเพื่อประโยชน์แก่จีวรในมือของทูตได้กล่าววินิจฉัยไว้แล้วโดยประการใดพึงทราบวินิจฉัยในเมื่อมีผู้ส่งมาถวายหรือว่ามาถวายเองเพื่อประโยชน์แม้แก่ปัจจัยมีบิดาเป็นต้นโดยประการนั้นแหลก็คือทั้งปัจจัยสี่เลยเอาเงินมาถวายเพื่อปัจจัยสี่เนี่ยก็ให้ปฏดบัติเหมือนกับในจีวร น, นี้ตกลง ว, วิยาวิทยกรสองประเภทข้างหลังพระภิกจุนี่ไม่ต้องไปทวง ไม่ต้องไปเรียกทวงไม่ได้เรียกไม่ได้เพราะว่าให้ปฏิบัติเหมือนกับพูดที่ไม่ใช่ญากก็คือออกปากขอไม่ได้จะเป็นวินยัติก็แล้วแต่ว่าถ้าเข้ามาถวายก็ดีถ้าเขาไม่เอามาถวายก็ไม่ต้องพูดอะไรอะไรตกลงเวิยวิณกรก็มีทั้งหมดสิบจาพวกสิบจาพวกก็คือที่สุกแสดงทั้งหมดก็มีแปดจำพวกที่ไม่ถูกแสดงมีสองจำพวกที่ถูกแสดงแปดจำพวกก็แบ่งออกเป็นสองอย่าง ก็คือพิสูจแสดงสี่จำพวกทูตแสดงสี่จำพวกพิพิสูจนแสดงสี่จำพวกก็แบ่งออกเป็นต่อหน้าประเภทหนึ่งรับหลังสามประเภทที่ทูตแสดงสี่จำพวกก็ต่อหน้าประเภทหนึ่งแล้วก็รับหลังสามประเภทเหมือนกันรับหลังสามประเภทส่วนผู้ที่ไม่ถูกแสดงมีสองประเภทก็คือวิทยุกร น, นั้นก็ออกปากขอเป็นเองการอีกอันหนึ่งก็คือทูตนําทรับไปไว้ ก, กับอิยาคารกนั้นแล้วก็ไม่ได้กลับมาบอกก็ในการยินดีเงินและทองที่เขาเก็บไว้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้เมื่อเขาวางอากาักบยาวัตถุบางอย่างไว้แทบเท้าแล้วกล่าวว่านี้เป็นของพระผู้เป็นเจ้าผมถวายและเงินทองเหล่านี้ถ้าแม้พิกตุยินดีด้วยจิตเป็นผู้ใค้เพื่อจะรับเอาด้วยแต่ห้ามด้วยวาจาหรือว่าห้ามด้วยกายว่านี้ไม่ควร ไม่เป็นอบัติแม้กระทั่งใจยินดีอยากจะรับแต่ว่าห้ามด้วยกายหรือว่าจาว่าตามว่านี้ไม่ควรก็ไม่มีอบัติแม้ไม่ห้ามด้วยกายและวาจาเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์ไม่ยินดีด้วยคิดว่านี้ไม่ควรแก่เราก็ไม่เป็นอบัติเหมือนกันก็คือเป็นผู้ที่ไม่อยากจะรับแต่ว่าไม่ห้ามแต่ถ้าใจยินดีแล้วต้องห้ามด้วยกายหรือวาจาถ้าใจไม่ยินดีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องห้ามด้วยกายวาจา จิ่งอยู่ในบรรดาตรทวารคือทวารทั้งสามกายวาจาใจเนี่ยอันภิตุห้ามแล้วด้วยทวารใดทวารหนึ่งย่อมเป็นอันห้ามแล้วแต่ถ้าไม่ห้ามด้วยกายและวาจารับอยู่ด้วยจิตย่อมต้องอาบัตในกายัทวารและวิจิทวารมีการไม่กระทำเป็นสมุดฐานเพราะไม่กระทำการห้ามที่ตนพึงกระทำด้วยกายและวาจาแต่ชื่อว่าอาบัตทางมโนทวารไม่มี ก็คือต้องห้ามด้วยทวารในทวารหนึ่งถ้าใจยินดีถ้าใจไม่ยินดีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าใจนี่ห้ามอยู่แล้วฉนั้นไม่ห้ามด้วยกายด้วยวาจาก็ไม่มีอบัตแต่ถ้าใจยินดีแล้วไม่ห้ามด้วยกายหรือวาจานี้ต้องอบัตต้องอบัตทางกายทวารเพราะไม่ห้ามทางกายต้องอบัตทางวิจีตรทวารเพราะไม่ห้ามด้วยวาจาบุคคลคนเดียววางเงินทองตั้งร้อยตั้งพันไว้ใกล้เท้าพิจุแล้วกล่าวว่านี้จงเป็นของท่าน สิกสุห้ามว่านี้ไม่ควรอุบาสกพูดว่ากระผมสละถวายท่านแล้วก็ไปก็คือไม่สนใจกรณีนี้พระพิสุทงหลายก็น้อมพิจารณาดูว่ามันเข้ากับการโดยบ่ายของตนเองหรือเปล่าพระพิสุมีคนเอาเงินมาถวายแล้วว่าให้อบเก็บบนประสาทชั้นเจ็ดแต่ว่าอันนี้มันไม่เข้ากับหลักนี้นะเพราะหลักนี้ก็คือว่ามีคนเอาเงินเอาทองมาถวายไปแทะเท้าเนี่ยพระพิสุห้ามแล้วพระพสุต้องห้ามด้วยนะ เมื่อห้ามแล้วเขาก็ยังขืนวางเอาไว้ตรงนั้นแล้วก็ไปเสียมีคนอื่นมาที่นั้นถามว่านี้อะไรขอวรับพิกตุพึงบอกคําที่อุบาสกนั้นและก่อนพูดกันก็คือมีคนเอาเงินมาถาวายแล้วก็อาตมาก็ห้ามแล้วว่าไม่ควรแต่เขาก็ยังขืนทิ้งเอาไว้เพราะฉะนั้นการห้ามนั้นเป็นปัจจัยที่ทําให้พิกตุไม่ต้องอบัติแต่ว่ามีโอกาสในการที่จะบรรพโชคปัจจัยที่ญาติโยมเขาเอาเงินทองนั้ น, นมาทิ้งเอาไว้ สามารถที่จะมีอุบายในการทิ่จะบริโภคใช้สอยได้ mm hmm. เมื่อบอกคำที่พูดกันแล้วกับคนที่มาภายหลังถ้าเขาพูดว่าผมจับเก็บให้ขอรับท่านจงแสดงที่เก็บที่ตุขึ้นไปยังปร า, าสาทถึงชั้นเจ็ดแล้วพึงบอกว่านี้ที่เก็บห้ามไปบอกเขาด้วยนะว่าให้ช่วยไปเก็บให้หน่อยให้บอกเขาว่าช่วยให้ไปเก็บไว้หน่อยนี้ก็เป็นอากัปยาวาจา วัตถุที่ได้มาจากทรัพย์นี้ก็ไม่ควรบริโภคแล้วก็ไม่ควรในการที่บ่อยๆเขาช่วยไปเก็บให้หน้อยแต่ว่าถ้าเขารับอาสาว่าผมจะเก็บให้นี่ก็ขึ้นไปถึงชั้นบนแล้วก็ชี้บอกว่านี้ที่เก็บแล้วก็ไม่ให้บอกด้วยว่าจงเก็บไว้ในที่นี้แตกต่างกันนะถ้าบอกวันนี้ที่เก็บกับจงให้เก็บไว้ในที่นี้วาจาีต่างกันถ้าบอกวันนี้ที่เก็บเป็นกับยี่ยมูหานถ้าบอกว่าจงเก็บไว้ที่นี้เป็น อากัปปิยะโวหาเลยอากัปิยะวัตถุมีทองและเงินเป็นต้นย่อมเป็นอันอาศัยวัตถุที่เป็นกัปปิยะและอากัปิยะตั้งอยู่ด้วยคาบอกมีประมาณเท่านี้พึงปิดประตูแล้วรักษาอยู่ถ้าว่าอุบาสกถือเอาบาทและจีวรซึ่งเป็นของจะขายบางอย่างมาเมื่อเขากล่าวว่าท่านจะรับสิ่งนี้ไหมขอรับมีคนเอาบาทอาจีวรมาขาย ส่วรพริสูจนนั้นน่ะเก็บเงินทองเอาไว้โดยที่ใช้อุบายก็หมายถึงว่ามีคนเอาขึ้นไปเก็บให้แล้วก็ตนเองก็มีขับย่อบูหานบอกว่านี้ที่เก็บเขาเก็บไว้เรียบร้อยแล้วก็ปิดประตูรักษาถือกุญแจล็อกไว้อย่างดีก็ได้แต่ถ้ามีคนมาขายขอแล้วก็ถามว่าจะเอาไหมจีวรบาทกุญเจ้าต้องการหรือเปล่าพึงกล่าวกับบาศสกนั้นว่าอุบาโสกพวกเรามีความต้องการในสิ่งนี้และวัตถุชื่อเห็นปานนี้ก็มีก็คือ มีเงินทองทรัพย์ที่โยมต้องการเนี่ยมีอยู่มีคนก็เอามาทิ้งไว้ให้แต่ว่าไม่มีกัปยาการกเพราะว่ า, าพระภิกูุนั้นใช้เงินทองไม่ได้จะมาซื้อมาขายเนีไม่ได้ต้องมีกัปยาการกก็ชี้แจงกขาฟังถ้าเขาพูดว่าผมจัดเป็นกัปยาการกให้ผมจะจัดการให้เอาไหมขอท่านโสดเปิดประตูเถิดพระพิสูจก็บอกว่าถ้าโยมจะเป็นกัปยาการกก็ใช้ได้ก็พึงเปิดประตูแล้วกล่าวว่า ตั้งอยู่ในโอกาสชื่อนูนต้องมีสติสัมปชัญญะด้วยนะบอกว่าตั้งอยู่ตรงนั้นแต่อยาพึงกล่าวว่าท่านจงถือเอาสิ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นจักการกบนะาบปณะจัดการเงินทองก็เป็นการกระทําที่ไม่สมควรแม้อย่างนี้อากัปปิยะวะัตถุก็เป็นอันอาศัยวัตถุที่เป็นกัปปิยะและอากัปปิยะตั้งอยู่เหมือนกันแค่คําพูดเท่านั้นแสดงถึงว่ามีสติหรือว่าไม่มีสติเพราะว่าท่านก็แนะนําไว้ ให้กล่าวว่าตั้งอยู่ในโอกาสนู้นเก็บไว้ตรงนั้นนลยโยมแต่ว่าห้ามบอกว่าจงถือเอาสิ่งนี้ถ้าเขาถือเอากะหับปะนะนั้นแล้วถวายกับอิยพันแกเธอก็ควรอยู่ถ้าเขาถือเอาเกินไปเพึงบอกเขาว่าพวกเราจักไม่เอาพันดักของท่านจงเก็บเสียอันนี้ก็เป็นอุบายในการใช้สอยอีกต้องรู้ว่าจีวรบาทเ น, น, นะราคาเท่าไหร่เขาหยิบเอากะหปะนะคือเงินทองไปต้องไปดูด้วย ถ้ารู้ว่าเขาหยิบเกินก็บอกว่าเราไม่เอานะบาชีวังท่านเอาเกินไปเถอจะจงเจ็บเหมือนเสียก้อนนิสกยะวัตถุสี่อย่างมีทองเป็นต้นก็คือทองเงินมาศทองมาศเงินวัตถุอย่างอื่นนี้ก็สงเคราะห์เป็นมาศเงินหมดอาจจะเป็นแบงก์เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่พิสุใดรับแล้วพิกสุนั้นจะพึงทําอย่างไรก็หมายถึงอันนี้เขาไม่ได้มาทิ้งแล้วนะอันนี้คนละกรณีแล้วหมายถึงว่าถ้าเขาเอามาถวาย พระวิสุห้ามแล้วว่าไม่ควรเขาเกิดทิ้งไว้จึงได้อุบายในการใช้ถอยอย่างนี้เอาไปเก็บบนประสาทเจ็ดชั้นแต่ถ้าเกิดเขามาถวายแล้วพระวิสุทธรับอันนี้จะคนเรากรลนีกันไม่สามารถจะเอาไปเก็บไปบนประสาทเจ็ดชั้นอย่างนั้นได้แล้วถ้าเกิดรับนิสสกิยวัตถุในเงินทองเป็นต้นวิสุนั้นจะทําอย่างไรตอบว่าพึงสละในถ้ำกลางสงให้เอาไปเก็บไม่ได้ สระอย่างไรภิกษุ น, นั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าอุตราสงฆ์เฉวียงบากราบเท้าภิกษุผู้แก่พันสากว่านั่นกระโยกเท้ากระนมือกล่าวอย่างนี้ว่าอะหังพันเตรูปิยังปฏิคเหสิงอิดังเมนิสัิยังอิมาหังนิสั ช, ชามิแปลว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้ารับรูปิยัไว้แล้วของนี้ข้าพเจ้าเป็นของต้องสละข้าพเจ้าสระรูปิยะนี้แกสง รั้สละแล้วคือแสดงอาบัติแ้่ยังไม่สละได้แสดงอาบัตตอนอาบัต้นั้นไม่เป็นอันแสดงต้องสละวัตถุที่ทำให้ต้องอาบัตแล้วถึงจะแสดงอาบัตได้ทิสุผู้ฉลาดผู้สามารถคือรับอาบัตถ้าคนทําการวัดหรืออุบาสกเดินมาในที่นั้นทิสุนั้นพึงบอกอุบาสกว่าท่านจงรู้ของสิ่งนี้โยมช่วยมาพิจารณานี้หน่อยถ้าเขาถามว่าผมจะนําอะไรมาด้วยรูปียะนี้ จะ ใ, ให้ผมมาทำอะไรครับเนี่ยก็ไม่พึงกล่าวว่าจงนําของสิ่งนี้หรือของสิ่งนี้มาไม่ให้พูดอย่างนี้ด้วยนะควรบอกแต่ของที่เป็นกัปปิยะเช่นเนยไสน้ํามันน้าพึง่งน้ําอ้อยและเมื่อจะบอกไม่พึงบอกว่าเธอจงนําเนยใสน้ํามันน้ํำพึง่งน้ําอ้อยมาด้วยรูปิยานี้เพราะว่าจะเป็นการซื้อขายบอกแล้วว่าถ้าเป็นกัปปิยพัน์กับกัปปิยพันธ์สามารถบอกวิายาวิเยรกรหรือว่า กับยาการะกให้ไปแลกเปลี่ยนมาได้แต่ถ้าเป็นกับยพันกับรูปิยะหรือว่ารูปียะกับรูปิยะเนี่ยนะใช้ไม่ได้จะไปบอกไม่ได้ว่าเธอจงนําสิ่งนี้ไปแลกกับรูปียะหรือว่ารูปียะเอนําสิ่งนั้นมาอันนี้ไม่ได้ควรกล่าวคําเพียงเท่านี้แล้วว่าสิ่งนี้สิ่งนี้ควรแก่สงถ้าเขานําไปเปลี่ยนแล้วนําสิ่งที่เป็นกับยะมาเว้นพิกจุผู้รับรูปิยะเสียพิกจุทั้งหมดพึงแจกันฉัน สิ่งสู่ผู้รับรูปิยะไม่พึงรับส่วนแบ่งก็คือไม่ต้องไปรับส่วนแบ่งหรือว่าไม่ต้องเอาเนยใสยน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยนั้นมาบันโภกไม่ควรเพราะว่าตนเองเป็นต้นเหตุในการรับเงินทองนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นอุบายใช้ใสเพื่อความอยู่สะดวกของสองว่าถ้าใครไปทําผิดรับนิสกิยาวัตถุมาแล้วแล้วก็ทำวินัยกรรมเลียบต้อยแล้วมีอุบายสกบัณฑิการถึงว่าวิญญาณกับสกป ร, รกมาในที่นั้น เราถามว่าจะให้ทําอย่างไรกับเงินทองนี้แค่บอกว่าสิ่งนี้สิ่งนี้เนี่ยควรแก่สงก็คือบอกว่าน้เพิ่งน้ํามันน้ำอ้อยเนี่นนยใสในค้นพวกนี้เนี่ยควรแก่สงโยมรั่วเ อ, เองที่จะกนาเองแค่นี้ก็สมควรแม้ได้ส่วนที่ถึงแก่ทิกสุดอื่นหรืออาตามิกชนแล้วก็คือพระสุที่รับเงินทอง น, นั่นแหละถ้าได้ส่วนอื่นมาตกมาถึงตนเองจะบริโคก็ไม่ควร โดยที่สุดเนยใสหรือน้ํามันนั้นอันสัตว์เดรัจฉานมีลิงเป็นต้นลักเอาไปจากชวนแบ่งนั้นวางไว้ในป่าหรือที่หล่นจากมือของสัตว์เหล่านั้นยังเป็นของอันสัตว์เดรัจฉานหวงแหนก็ดีเป็นของบางส ป, ปุลก็ดีไม่สมควรทั้งนั้นทั้งสุดที่รับเงินทองจะเอาสิ่งที่ได้มาจากเงินทองนั้นกับยักตาลกนําไปจัดการมาแล้วจะเอามาใช้เอามาบริโภคไม่สมควร แม้จะอบเสนาสนะด้วยน้ำอ้อยที่นํามาจากส่วนแบ่งนั้นก็ไม่ควรจะตามประทีบด้วยเนยใสหรือน้ํามันแล้วนอนก็ดีกระทํากระสินบริกรรมก็ดีสอนหนังสือก็ดีด้วยแสงสว่างแห่งประทีบก็ไม่ควรอันหนึ่งจะทาแผลที่ร่างกายด้วยน้ํามันน้ําผึ้งและน้ําอ้อยเป็นต้นจากส่วนแบ่งนั้นก็ไม่ควรเหมือนกันคนทั้งหลายเอาวัตถุนั้นจ่ายค่าเตียงและตังเป็นต้นก็ดี สร้างโรงอุโบสถก็ดีสร้างโรงฉันก็ดีจะบริโภคใช้สอยก็ไม่ควรเเกิดรับมารับห้า0มื่นแล้วนำเป็นสละข้ามกลางสงเ์พระวิชิกรก็เลยเอาเงินห้าหมื่นั่นนะถามว่าจะให้น้องไปทำอะไรพัะวิษก็บอกว่าเสนาสนะสมควรแก่สงก็เลยเอาไปทำกุฏิกุฏินั้นพระวิษรุรูปอื่นใช้ได้ทั้งหม ด, ดยกเว้นพระวิษุที่รับเงินทองทานั้นข้ามใช้ แม้ร่มเงาแห่งโรงฉันเป็นต้นอันแผ่ไปอยู่ตามเขตของเรือนก็ไม่ควรก็คือร่มเงาทั้งหลายนี่ไปสุดที่รับเงินทองก็ไม่ควรจะไปใช้ร่มเงาที่เลยเขตไปควรอยู่เพราะเป็นของจอมาจะเดินไปตามทางก็ดีสะพานก็ดีเรือก็ดีแพก็ดีที่เขาจำหน่ายวัตถุนั้นสร้างไว้ก็ไม่ขวรด้วยจะเด่มหรือใช้สอยน้าที่เอ่อขึ้นเต็มปริ่มสะบวกกรณี ซึ่งเขาให้ขุดด้วยวัตถุนั้นก็ไม่ควรเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วไม่ควรบริโภคถ้าไม่รู้ก็ยังไม่มีความรู้แรืว่ามีอวบัายนดเพราะว่าท่านไม่ได้แสดงอวบอันไว้นะแต่ว่าไม่รู้ควรจะต้องระวังสํารวมว่าสิ่งนี้ทํามาจากอะไรเงินทองของตนเองที่รับมาหรือเปล่าส่วนพระภิกษุอื่นนั้นไม่มีปัญหาบริโภคได้ถ้าทําวิเนกรรมเสร็จแล้วหรือว่าแม้ไม่ได้เอาไปทําวิเนกรรมก็ตามเอาเงินทองนั้นไปสร้างเลยนะก็ไม่สมควรแก่สามมิตรทั้งห้า ไปสร้างเสนานุษย์นำปัจจัยสี่มาไม่สมควรแกรสาธมิทั้งห้าแต่ถึงแม้สาธมิกทั้งห้าอื่นไปบริโภคเข้าอันนี้ก็ยังไม่ได้ปรับอบัตอะไรพระอาจาย์ก็บอกว่าไม่ควรแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นอัมบัตอะไรดังนั้นก็ควรระวังสํารวงว่าไม่ควรไปบริโภคอกัปปิยะวัตถุที่เขาจัดแจงมาเสนานุษย์ที่ซื้อมาด้วยเงินทองอต่างๆก็ไม่ควรใช้สอยแต่ว่าถ้าเข้าไปใช้สอยจริงๆก็ยังไม่มีอัมบัต แต่ว่าเมื่อน้ําภายในสระไม่มีน้ําที่ไหลมาใหม่หรือว่าน้ําฝนไหลเข้าไปสมควรอยู่ก็คือสามารถที่จะบริโภคได้แม้น้ําที่ซื้อมาพร้อมกับสารโบคารณีที่ซื้อมาด้วยวัตถุนั้นก็ไม่สมควรแก่พระพิกดุที่รับเงินทองนั้นสงตั้งวัตถุนั้นเป็นของฝากเก็บดอกผลบริโภคปัจจัยแม้ปัจจัยเหล่านั้นก็ไม่สมควรแก่เธอแม้อารามซึ่งเป็นของที่อันสงรับไว้ด้วยวัตถุนั้น ไม่ควรเพื่อจะบริโภคใช้สอยถ้าพื้นดินก็ดีพืชก็ดีเป็นอากัปปิยะจะใช้พื้นดินจะบริโภคผลไม้ไม่ควรทั้งนั้นถ้าพิกจุซื้อพื้นดินอย่างเดียวเพราะปลูกพืชอื่นจะบริโภคผลควรอยู่ก็คือเอาเงินทองที่พัะจู ร, รับมาทํากัปปิยะเอาไปทําวิเ น, นกรรมแล้วแล้วก็มีคนจัดการไปซื้อพื้นดินมาอย่างเดียวอันนี้เฉพาะพื้นดินเท่านั้นที่พัะสุนั้นไม่ควรบริโภคแต่ว่าต้นไม้ที่ปลูก ที่พื้นดินนี้จะไปพบผลก็ได้อยู่ถ้าที่สุซื้อพืชมาปลูกลงในพื้นดินอันเป็นกัปปิยะจะไปพบผลไม่ควรจะนั่งหรือนอนบนพื้นดินนั้นควรอยู่ถ้ากัปปิยะการกมาในที่นั้นย่อมไม่รู้ที่จะแลกเปลี่ยนเงินนั้นแล้วนําสิ่งที่เป็นกัปปิยะมีเนยใสและน้ํามันเป็นต้นแก่สงพึงบอกเธอว่าผู้มีอายุเธอจงทิ้งสิ่งนี้เสีย ถ้าเขาทิ้งให้นั่นก็เป็นการดีถ้าเขาไม่ทิ้งให้พึงสมมติที่สุที่ประกอบด้วยองค์ห้าให้เป็นผู้ทิ้งรูปียะคือทีส่สุที่ไม่ถึงความลำเอียงเพราะชอบพอกันฉันทางคติหนึ่ง <BO C 1> ไม่ถึงความลำเอียงเพราะโทสะโทสามคติหนึ่งไม่ถึงความลำเอียงเพราะโมหะโมหาคติหนึ่งไม่ถึงความลำเอียงเพราะความกลัวพยาคติหนึ่ง แล้วก็ภิกษุที่รู้จักรูปิยะว่าทําอย่างไรเป็นอันทิ้งและไม่เป็นอันทิ้งเพราะฉะนั้นถ้าสละเงินทองที่ภิกษุรับมาแล้วมีใครมาในบริเวณนั้นเขาถามว่าจะให้ทําอะไรก็ให้ไปจัดการเอากับยะวัตถุมาแล้วแต่ว่าจะใช้ว่าให้ไปเอากับยะวัตถุมาด้วยรูปิยะนี้หรือว่าเอาเงินทองนี้ไปซื้อรูปียะมันมาใช้ยังไม่ได้ก็บอกว่าพวกเปรตท่าเนี่ยสมควรแก่ภิกษุสงฆ์ อันนี้เขารู้เขาฉลาดก็ไปนํามาให้แต่ถ้าเกิดเวิทยกร์ไม่มีหรือว่าคนที่จัดการไม่มีเขาไม่รับเอาไปทิ้งให้ก็บอกกับคนที่ผ่านมาถ้าเขาเสียเวลาเขาจะไปเอาเพศสัตห้ามาให้เนี่ยนะก็บอกเขาบอกว่าช่วยทิ้งให้หน่อยโยมจะไปทานั้นก็ไปเถอะอย่างนี้ถ้าเขาเอาไปทิ้งให้ก็เป็นการดีถ้าเขาเก็บเอาไปก็ไม่ต้องห้ามแต่ถ้าเกิดเขาไม่ทิ้งก็ไม่อยากยุ่งด้วยเราพิจูพวกนี้ทําอะไรกันเงินทองนี้เป็นของหายาก ควรจะเก็บเอามาทิ้งได้ยังไงพ่อไม่ยุ่งดีกว่าไม่เกี่ยวข้องด้วยก็ไปเลยนะอย่างนี้ก็จะต้องสมมุติที่ตุที่ประกอบด้วยองค์ห้าอย่างนี้ให้เป็นผู้ที่ทิ้งก็แลงที่ตุทั้งหลายพึงสมมุติอย่างนี้อันดับแรกพึงขอให้ที่ตุตกลงรับก่อนก็คือขอให้มีตัวแทนที่ตุ ร, รูปหนึ่งอาส า, าสมัครก็ได้ชี้บอกก็ได้ว่าช่วยเป็นผู้ทิ้งเงินทองหน่อยแต่ต้องมีคุณสมบัติห้าอย่างนี้ก็คือไม่มีอคติทั้งสี่ แล้วก็รู้ว่าทนอย่างไรจึงจะเป็นการทิ้งก็ขอให้พี่สุรูปนั้นรับแล้วก็ครั้นขอแล้วพี่สุูุ้ชราตผู้สามารถคือสวดประกาศว่าสุนาตุเมพันเตสังโหยติสังขสะปตะกัลังสังโหิทันนามังผิดคุรูปิยะฉันดักังสัมมัญยะเอสายติสุนาตุเมพันเตสังโอิทันนามังผิดคุรูปิยะฉันดักังสัมมัญติ ยัสสายสมตโตขมติอิทันนามัสสะทิคุโนรูปิยะฉัฏดะกัสสะสัมมุติโสตุนัสะยัสสะนคขมติโสภาสิยะส ม, มุโตสังเขนอิทันนามภิคุรูปิยะฉัฏดโกคมติสั่งคัสสะตัสมาตุนฮีเอวะเมตังขารยามิอันนี้ก็เป็นยัติทุติยกรรมวาจาส่วสมมุติที่ตัวผู้ทิ้งรูปิยะ เสกสูผู้ถูกสมมติแล้วนั้นไม่ทํานิมิตคือหลับตาแล้วไม่กําหนดหมายที่ตกไม่เดี๋ยวดูดุดคูดพึงทิ้งให้ตกไปในแม่น้ําในเหวหรือว่าในผู้ไม้ถ้ากําหนดที่หมายให้ตกไปต้องอบัตทุกกดก็คือห้ามมองนั่นเองถ้าไปมองไปดูจิตใจมันจะโลเลแล้วก็ไปเก็บออกมาก็ได้นั่นก็ห้ามมองถ้ามองถ้าหมายที่ตกต้องอบัตทุกกดในรูปิยะแม้อันทิสตูพึงรังเกียจอย่างนี้ ถ้าผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสบอกการบริโภคใช้สอยแก่พิสุททั้งหลายโดยปริยายก็คือบอกโดยอ้อมานะให้ทําวินัยกรรมเมื่อทําวิเนกรรมเรียบร้อยแล้วมีคนจัดการกับปิยะการรบมาจัดการนำของที่เป็นกับปิยะพันม์มาถวายก็สมควรก็การบริโภคปัจจัยที่เกิดขึ้นจากรูปิยะนั้นย่อมไม่สมควรแก่พิสุทธผู้รับรูปิยะโดยปริยายรายๆเลย ก็การบริโภคปัจจัยที่เกิดขึ้นนี้ไม่ควรแก่พิกจุผู้รับรูปิยะนั่นฉันใดปัจจัยที่เกิดขึ้นเพราะการอวดอุตริมนุสธรรมอันไม่มีจริงก็ดีเพราะกูละดูสต์ธมก็คือปทุสร้ายสกุลก็ดีเพราะการหลอกลวงเป็นต้นก็ดีย่อมไม่ควรแก่พิกจุนั้นและแก่พิกจุอื่นฉันนั้นแต่ต่างกันตรงที่ว่าพิกจุที่รับรูปิยะมาถ้านําปัจเจศีมาด้วยความถูกต้องแล้ว ไม่ควรแก่เฉพาะที่ถูกผู้รับรูปียะเท่านั้นแต่ว่ายังควรแก่พิจุรูปอื่นเมื่อทําวินยกรรมได้ร้อยดีแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ก็คือปัจจัยที่ได้มาเพราะว่าการอวดอุตริมนุส ธ, ธรรมก็คือคุณธรรมที่ไม่มีจริงอ่านประตูสรารายสกุลปัจจัยที่ได้มาจากการกระทุตสรารายสกุลหรือว่าปัจจัยที่ได้มาจากการหลอกลวงคนอื่นเขา อันนี้นี่ไม่ควรแก่ผู้ที่ไปกระทํากรรมนี้และแก่พิจตุอื่นด้วยนะไม่ควรทั้งหมดเลยถึงปัจจัยที่เกิดขึ้นโดยทำรรโดยสม่ําเสมอยังไม่ได้พิจารณาจะบริโภคก็ไม่ควรเหมือนกันปัจจัยสี่นะกีวันิธตตาเสนาสนะกกิรนะปัจจัยเมื่อได้มาด้วยความถูกต้องแล้วถ้ายังไม่ได้พิจารณาจะบริโภคก็ไม่ควร เปรียบเหมือนกับยาพิษชาติหรือโภคก็มีพิษมีโทษจึงอยู่การบริโภคมีสี่อย่างคือหนึ่งทายะบริโภคบริโภคอย่างขโมยสองอินทรบริโภคบริโภคอย่างเป็นหนี้สามทายัติชาบริโภคบริโภคอย่างเป็นผู้รับมรดกสี่สามีบริโภคบริโภคอย่างเป็นเจ้าของบรรดาการบริโภคสี่อย่างนั้นการบริโภคของพิสุผู้ทุศีล ซึ่งนั่งบริโภคอยู่แม้ในท่ามกลางสงก็ชื่อว่าไทยบริโภคเพราะว่าพายกเขาไม่ได้ถวายปัะจัยมาเพื่อให้พระทุศีลมาบริโภคมาคบฉันแต่เขาต้องการถวายกับผู้ที่มีศีลนั้นบวชมาแล้วถ้าไม่ได้รักษาศีลไปบริโภคปัจจัยเีชาวบ้านเขาชาวแว่นแกรนเขาก็เหมือนกับเป็นขโมยการบริโภคของพิษุทูตศีลนี้จึงชื่อว่าไทยบริโภค การบริโภคโดยไม่พิจารณาของพิจุผู้มีศีลชื่อว่าอิ น, นะบริโภคนั่นจะพระมีศีลแล้วแต่ว่าไม่ได้พิจารณาปัจจัยศีลยว่าบริโภคไปเพื่ออะไรนี่ก็เป็นอิ น, นะบริโภคเป็นหนี้คือเป็นหนี้ของกิเลสปัญหาต่างๆโอกาสที่จะต้องไปชดใช้ก็มีมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพิกจุผู้มีศีลพึงพิจารณาจีวรทุกขณะที่บริโภคใช้ต่อยพิจารณาบิณฑบาต ทุกๆคำเกืนเมื่อไม่อาจจงนั้นก็พึงพิจารณาในการก่อนฉันหลังฉันยามต้นยามกลางและยามสุดท้ายอันนี้ก็จะเห็นความแตกต่างกันนิดหนึ่งว่าถ้าจีวรเนี่ยควรพิจารณาทุกครั้งที่บริโภคใช้สอยเลยในดีกาก็บอกว่าในขณะที่ถอดจีวร อ, ออกทุกครั้งนั่นแหละควรพิจารณาด้วยไม่ใช่ตอนที่กําลังจะนุ่งห่มเท่านั้นตอนที่ถอดว่าต้องพิจารณา แต่ว่าสําหรับบินธบาสนี่ให้พิจารณาทุกๆคํากลืนเลยถ้าไม่อาจอย่างนั้นก็ให้พิจารณาก่อนชั้นหลังชั้นยามต้นยามกลางยามสุดท้ายหากเมื่อเธอไม่ทันพิจารณาก่อนอรุณขึ้นย่อมตั้งอยู่ในฐานะบริโภคนี่ก็คืออินนบบริโภคอันนี้สําหรับบินธบาสสมาชีวรนี้ท่านไม่ได้บอกให้พิจารณาในยามต้นยามกลางยามสุดท้ายหรือว่าก่อนอรุณขึ้นก็ควรจะพิจารณาทุกครั้งที่ใช้ถอยแล้วก็ทุกครั้งที่ ถอดจีวรออกแม้เสนาสนะก็พึงพิจารณาทุกๆครั้งที่ใช้สอยอันนี้ก็เสนาสนะที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันทุกครั้งที่ใช้สอยก็ต้องบริโภคก่อนจะเข้ากุฏิออกจากกุฏิก็ควรจะบริโภคความมีสติเป็นปัจจัยทั้งในขณะรับทั้งในขณะบริโภคเพสัพร์ย่อมควรก็คือต้องมีสติในขณะที่รับปัจจัยก็คือเพศัพ์จะเป็นเพสัชห้าหรือว่าเป็น อย่ารักษาโรคโดยตรงทั้งขณะที่รับทั้งขณะที่บริโภคก็ต้องมีสติก็คือพิจารณาว่ามีเหตุในการที่จะขบถันหรือเปล่าแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นก็เป็นอาบัติแก่ภิกตุผู้ทําสติในการรับแต่ไม่ทําในเวลาบริโภคก็คือขณะที่รับยา น, นั้นมาเนี่ยมีสติรู้ว่ายาเหล่านี้นี่ใช้แก้อะไรนําไปฉันเพื่ออะไร แต่ว่าในขณะที่บริโภคไม่ได้พิจรารณาไม่ได้ทําสติไว้อย่างนี้เรียกว่ามีอบัตแต่ไม่เป็นอบัตแก่พิจุผู้ไม่ทําสติในการรับทําแต่ในการบริโภคขณะที่รับเภษัชคือยารักษาโรคเภสัตห้านั้นมาไม่ได้พิจรารณาไม่มีสติแต่ว่าตอนที่จะบริโภคมีสติตรงนี้ก็เลยเข้าใจกันว่าถ้าลืมพิจารณายาลืมพิจารณายาก็ทําให้เป็นอบัตทุกกฎ แต่วันในทนี่นี้ไม่ได้แสดงอาบัตอะไรเลยไม่ได้แสดงว่าเป็นอาบัตอะไรแสดงแต่ว่าก็เมื่อเป็นอย่างนั้นก็เป็นอาบัตแก่ทิจุผู้ทําสติในการรับแต่ไม่ทําในเวลาบริโภคแต่ไม่เป็นอาบัตแก่ทิจุผู้ไม่ทําสติในการรับทําแต่ในการบริโภคเพราะฉะนั้นการทําสติตรงนี้นี่ทําสติว่าอย่างไรเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาเพาะว่า ส, ส่วนใหญ่เข้าใจว่าถ้าลืมพิจารณายารักษาโรคว่าบริโภค กพราะอะไรเนี่ยนะเป็นอาบัติทุกกฏแต่ความจริงแล้วตรงนี้เป็นเรื่องของปัจญญาณิสิตสีเป็นเรื่องของอินนาบริโภคเพราะฉะนั้นไม่มีอาบัตอาบัตมันสําหรับปาธิโมกขังวรสําหรับปัจญญาิสิตสีที่มีอาบัตนั้นอาบัตตรงนี้นี่ไม่ได้บอก ด, ด้วยอาบัตอะไรแต่ว่าจะมีในกุกตะหรือว่าในมหาวัค วังฤทธิ์จลวรเรื่องการบริโภคยาโดยที่ไม่มีเหตุอันถ้าไม่มีเหตุแล้วบริโภคยาเนี่ยถึงจะต้องอบัตทุกกฎอันการทําสติในที่นี้ก็คือทําสติที่จะพิจารณาว่ามีเหตุในการที่จะบริโภคหรือเปล่าถ้าไม่มีเหตุในการบริโภค ก, ก็ต้องอบัตแต่ว่าบริโภคโดยที่ไม่ได้พิจารณาว่าบริโภคเพื่ออะไรตรงนี้นี้ไม่มีอบัตเพราะว่ายานี่ก็เพื่อบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหม อันการที่ปวดหัวตัวร้อนแล้วก็เอายามารีโพกเอายามาฉันเนี่มีเหตุแล้วแต่ว่าไม่ได้พิจารณาไม่ได้มีสติในการที่พิจารณาว่าฉันเพื่ออะไรแต่ว่ามีเหตุแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอบัติทุกกฎอันนี้ก็น่าพิจารณาลองไปเทีบเสียงดูสําหรับผู้ที่ได้ยินได้ฟังถ้ามาพิจารณาตรงสุทธิแล้วก็ภาถนะจะเข้าใจแจ่มแจ้งสุดธิมีสี่อย่างก็คือเทศนาสุดทีหมดจดด้วยการแสดง สังวรสุทธิหมดจดด้วยการสังวรปริเยสติสุทธิหมวดจดด้วยการเสมเหตุผปัจเวคณะสุทธิหมวดจดด้วยการพิจารณาบรรดาสุทธิสี่อย่างนั้นปาติโมคะสังวรสีนชื่อว่าเทศนาสุทธิก็ปาติโมคะสังวรสรีนั้นท่านเรียกว่าเทสนาสุทธิเพราะบริสุทธิ์ด้วยการแสดงอินตรยสังวรสีนชื่อว่าสังวรสุทธิ ก็อินริยะสังวรศีนั้นท่านเรียกว่าสังวรสุทธิเพราะบริสุทธิ์ด้วยการสังวรอธิษฐานจิตว่าเราจักไม่ทําอย่างนี้อีกอาชีวบริสุทธิ์ทีลชื่อว่าปาริเยติสุทธิก็อาชีวบริสุทธิ์ที่นั้นท่านเรียกว่าปาริเยติสุทธิเพราะเป็นความบริสุทธิ์ด้วยการแสวงหาของพิจุผู้ละอเนสนาคือการแสวงหาที่ไม่สมควร ยังปัจจัยทั้งหลายให้เกิดขึ้นโดยธรรมโดยสม่ำเสมอปัจจัยบริโภคสันนิษิตสิณีชื่อว่าปัจเจเวคขณะสุทธิจึงอยู่ปัจจัยักสันนิษิตสิณีนั้นท่านเรียกว่าปัจเจเวคขณะสุทธิเพราะบริสุทธิ์ด้วยการพิจารณาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยในว่ามีอาทิอย่างนี้คือ เราย่อมพิจารณาโดยแยกคลายแล้วใช้สายกิวอนดังนี้เป็นต้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าแต่ไม่เป็นอบัตแก่ทิจุผู้ทําสติในการรับทําแต่ในการบริโภคอันนี้ก็เฉพาะยาแต่ว่าพวกกิวอนบิะบาสเนสนะไม่ได้มีการแสดงไว้ว่าถ้าลืมพิจารณาแล้วจะต้องอบัตแต่เฉพาะยาเท่านั้นที่บอกว่า ไม่เป็นอ ბ ัตแต่พิจูผู้ทำสติในการรับแต่ว่าทําในการบริโภคก็หมายถึงว่าถ้ามีเหตุแล้วบริโภคก็ไม่เป็นอบัติแต่ถ้าไม่มีเหตุในการบริโภคแม้ว่าตอนที่ไปเอายามาพิจารณาแล้วว่ายานี้มันเพื่ออะไรฉันแก้โรคอะไรแต่ว่าขณะบริโภคไม่ได้มีเหตุอะไรไม่ได้มีเหตุก็คือยังไม่ได้ปวดหัวตัวร้อนเลยก็ฉันยา น, นั้นไปอันนี้ถึงจะมีอบัติ อ, อบัติทุกบทเพราะว่าอะไรเพราะว่า ปานที่โมงสังวรเนี่ยเป็นสัท ธ, ธาสาธารณะสำเร็จด้วยศรัท ธ, ธาแต่บริสุทธิ์ด้วยการแสดงไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยการพิจารณาอินเดริสังวรนี่เป็นสติสาธารณะสําเร็จด้วยสติแต่บริสุทธิ์ได้ด้วยการอธิษฐานเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้สํารวมลืมพิจารณายาอันนี้ก็เป็นมโนทุจริตก็ควรจะตั้งใจไว้ว่าวันหลังเราจะต้องพิจารณาให้ได้ น, นี่เพื่อทำให้มีการสังวร เป็นสติสาธาณะสําเร็จด้วยสติแต่ว่าเป็นสังวรสุทธิสังวรสุทธิบริสุทธิ์ด้วยสังวรก็คืออดีฐานใหม่ส่วนอาชีวบริสุทธิ์ก็เป็นปริยสิทธิสุทธินะหมดจดด้วยการเฉยหาสําเร็จด้วยวิริยะต้องเฉยหายถูกต้องปัจจเวกขณะสุท ธ, ธินี่ก็เป็นของปัจจัยนิสิตติก็คือการพิจารณาปัจจัยอย่างบริสุทธิ์ได้ด้วยการพิจารณาไม่ใช่บริสุทธิ์ได้ด้วยการแสดง เพราะฉะนั้นในที่นี้เรื่องของการพิจารณาปัจจัยตไม่ได้มีอาบัตลายแต่ว่าอาบัตเป็นเรื่องของปานิโมสังวรต้องไปแสดงคืนก็ต้องอาบัตอันนี้ก็ควรจะเป็นที่เข้าใจลองพิจารณากันใหม่การบริโภคปัจจัยของพระเสขะเจ็จําพวกชื่อว่าทายัชะบริโภคจึงอยู่พระเสขะเจ็ดจําพวกนั้นเป็นพระโอรสของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นจึงเป็นทายาทแห่งปัจจัยทั้งหลาย อันเป็นของพระพุทธบิดาบริโภคอยู่ซึ่งปัจจัยเหล่านั้นถามว่าก็พระเสขาเหล่านั้นบริโภคปัจจัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือบริโภคปัจจัยของพวกกฤหัตตอบว่าปัจจัยเหล่านั้นแม้อันพวกกฤหัสถวายก็จริงแต่ชื่อว่าเป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้เพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าพระเสขะเหล่านั้นบริโภคปัจจัยของพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็รรมัธยายาทสูตรเป็นเครื่องสาทกในการบริโภคปัจจัยของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้การบริโภคของพระขีณาสพทั้งหลายชื่อว่าสามีบริโภคจึงอยู่พระขีณาสบเหล่านั้นชื่อว่าเป็นเจ้าของบริโภคเพราะล่วงความเป็นภาดแห่งตัญหาได้แล้วบรรดาการบริโภคทั้งสีน่นี้สามีบริโภคและพายัคชะบริโภคย่อมควรแม้แก่ภิกษุทุกจาพวกด้วยประการชนี อินเนบริโภคไม่สมควรเลยบริโภคแบบเป็นนี้ก็คือลืมพิจารณาปัจจัยในทายะบริโภคไม่มีคำจะต้องพูดถึงเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรอย่างเด็ดขาดการบริโภคแม้อื่นอีกสี่ก็คือหนึ่งลัทธีบริโภคบริโภคของบุคคลที่มีความละอายต่อบาปสองอัลลัทธิบริโภคการบริโภคของพวกอััชธิทุศีลที่มีความละอายสามธรรมยัคบริโภคบริโภคโดยเป็นธรรมสอ่ธรรมยัคบริโภคบริโภคโดยไม่เป็นธรรม บรรดาการบริโภคสีอย่างนั้นการบริโภคของอารัชชีพิกษุร่วมกับรัชชีพิกสุสมควรไม่พึงปรับอาบัติเธอถ้าอารัตชีไม่มีความละอายมาบริโภคร่วมกับรัตชีอารัตชีไม่อาบัตแต่รัตชีจะอาบัติการบริโภคของรัตชีพิกสุร่วมกับอารัตชีพิสุย่อมควรตลอดเวลาที่เธอยังไม่รู้ถ้ารู้เมื่อไหร่ก็ติโทษเพราะว่าธรรมดาพิสุผู้เป็นอารัตชีมาแต่แรกไม่มี เพราะฉะนั้นพึงว่ากล่าวเธอในเวลาทราบว่าเธอเป็นอาัตชีว่าท่านทําการละเมิดในการยัตถวานและวจีทวานการทํานั้นไม่สมควรเลยท่านอย่าได้กระทําอย่างนี้อีกถ้าเธอไม่เอื้อเฟื้อยังคงกระทําอยู่อีกถ้ายังขืนทําการบริโภคร่วมกับอาัชชีนั้นแม้เธอก็จะกลายเป็นอารัชชีไปด้วยก็คือไปกินร่วมไปทํากรรมร่วมพวกนี้ก็จะกลายเป็นอาัตชีไปด้วย ฝิจูได้กระทํกาทการบริโภคร่วมกับอารัชีผู้ซึ่งเป็นภาระของตนก็คือเป็นลูกติดหรือว่าเป็นอาจารย์แม้พิจุนั้นอันพิจูอื่นเห็นพึงห้ามถ้าเธอไม่ยอมงดเว้นพิจูแม้รูปนี้ก็เป็นอารัชีเหมือนกันอาัชีพิจุแม้รูปเดียวจ่อมทําให้พิจุเป็นอารัชีได้แม้ตั้งร้อยรูปอย่างนี้ชื่อว่าอาบัตในการบริโภคร่วมกันระหว่างอารัชีกับอารัชีก็ไม่มี การบริโภคร่วมระหว่างรัชชีกับรัชชีผู้มีความเบลัยด้วยกันเป็นเช่นเดียวกับขัติยกุมารสองพระองค์สวยร่วมกันในสุวรรณภาศก็คือภาชนะทองนั่นเองผู้ศึกษาพึงทราบการบริโภคเป็นธรรมและไม่เป็นธรรมด้วยหน้าแห่งปัจจัยนั่นแหละในการบริโภคเป็นธรรมและไม่เป็นธรรมนั้นพึงทราบด้วได้ฉายทางต่อไป น, นี้ถ้าแม้บุคคลก็เป็นอลัชชีแม้บิณฑบาตก็ไม่เป็นธรรมก็คือได้มาด้วยความไม่ถูกต้อง น่ารังเกียจทั้งสองฝ่ายบุคคลเป็นอลัสชีแต่บินธบาตเป็นธรรมก็คือไปบิณธบาตได้มาแต่ว่าเป็นคนทุศีนเพิกสุพึงรังเกียจบุคคลแล้วไม่พึงรับบินธบาตแต่ในมหาปัญจเีท่านกล่าวไว้ว่าคนทุศีนได้อุเทสพัฒ เ, เป็นต้นจากสงแล้วถวายแก่สงนั่นแลอุเทสพัฒนั้นย่อมควรเพราะเป็นสิ่งที่รับไว้ตามที่เขาถวายนั่นเองก็คือจุดประสงค์และถวายสง์แต่ว่า คำสุตุศีนั้นได้มาแล้วก็ถวายคืนสองเป็นนรับได้บุคคลเป็นลัชธิบินทบาตไม่เป็นธรรมบินทบาตหน้ารังเกียจไม่ควรรับถึงแม้จะเป็นคนมีศีนแต่ว่าได้บินฑบาตมาไม่ถูกต้องอันนี้ก็ไม่ควรจะรับบินทบาตนั้นบุคคลเป็นลัทชีแม้บิณฑบาตก็เป็นธรรมย่อมสมควรยังมีการยกย่องอีกสองอย่างและการบริโภคสองอย่างเหล่าอื่นอีกก็คือหนึ่งการยกย่องลัชธิ สองการยกย่องอรัทชีหนึ่งธรรมะบริโภคไอสองอมิสสะบริโภคในการยกย่องและการบริโภคนั้นอรัทชียกย่องลรัทชีสมควรก็คือคนทุกศีลไม่มีศีล ไ, ไม่มีควรรามละอายมายกย่องพวกที่มีศีล ม, มีควรรามละอายอันนี้ถูกต้องเธอไม่ควรถูกปรับอบัตก็ถ้าว่ารัทชียกย่องอรัทชีย่อมเชื้อเชิญด้วยอนุโมทนาเชื้อเชิญด้วยธรรมกถา อุปธรรมในสกุลทั้งหลายแม้อารัชีนอกนี้ก็กล่าวสารรเสริญเธอในบริษัทว่าอาจารย์ของพวกเราย่อมเป็นผู้เช่นนี้และเช่นนี้เพียรตุนี้พึงทราบว่าย่อมทำพระศาสนาให้เตื่อมคือให้อันตรธานไปก็คือไปยกย่องอารชัชีแนะนำให้เ้าแสดงธรรมให้กล่าวธรรมกถาแนะนำให้พวกญาติโยมทั้งหลายรู้จักอันนี้ก็เป็นการทาให้ศาสนาเสื่อมลง ก็บรรดาธรรมะบริโภคและอา mith บริโภคในบุคคลใดอา m ิ t h บริโภคสมควรในบุคคลนั้นแม้ธรรมะบริโภคก็สมควรก็คือถ้ารับอาหารบิญญาณจากบุคคลนั้นได้ไม่มีโทษธรรมะบริโภคก็รับได้เหมือนกันท่านกล่าวไว้ในอัติกถาทั้งหลายว่าก็คัมภีรใดตั้งอยู่ในสุดท้ายจักชิดหายไปโดยการล่วงไปแห่งบุคคลนั้นจะเรียนเอาคัมภีร์นั้นเพื่ออนุเคราะห์ทำควรอยู่ ถ้าเกิดทำเพียนะมันจะสูญหายแม้การเรียนทำกับคนทุศิณกับคนที่เป็นอารชีก็สมควรเพื่ออนุเคราะห์ธรรมแต่ว่าถ้าเกิดพระศาสนายังไม่ได้สูญหายอะไรก็ไม่ควรไปเรียนด้วยเพราะว่าจะเป็นการบริโภคที่ไม่สมควรในการอนุเคราะห์ธรรมนั้นมีเรื่องทางต่อไปนี้ได้ยินว่าในยุคมหาภัยในลังกาานั้นได้มีพิตรูผู้ชํานาญมหานิเทศเพียงรูปเดียวเท่านั้น ครั้งนั้นพระอุปชาของพระติปสัทเธระผู้ทรงนิกายสี่ชื่อว่ามหาติปิะกะเทระกล่าวต่อพระมหารัชกิตาเทระว่าอาวุโสมหารัชกิตะเธอจงเรียนเอามหานิเทศในสำนักแห่งพิจุนั่นเธอเธอเรียนว่าได้ทราบว่าท่านรูปนี้เลวตามขอรักกระผมไม่เรียนเอาอุปชาปลอบใจว่าเรียนไม่เถิดควรฉันจากนั่งใกล้ๆเธอ พระมหารักขิตาเทระรับว่าดีละขรรภ์เมื่อท่านนั่งอยู่ด้วยกระผมจะเรียนเอาแล้วเริ่มเรียนติดต่อกันทั้งกลางคืนและกลางวันวันสุดท้ายเห็นสตรีภายใต้เสียงแล้วเรียนว่าท่านขรรภ์กระผมได้สดับมาก่อนแล้วทีเดียวถ้าว่ากระผมพึงรู้อย่างนี้จะไม่พึงเรียนทำในสำนักคนเช่นนี้เลยรู้อย่างนี้ไม่มาเรียนหรอกคนเลวตามอย่างนี้แต่ว่าเพื่ออนุเราะห์ศาสนา พระอาจารย์ก็เลยให้มาเรียนและตัวเองก็มานํ่งเป็นเพื่อนด้วยก็พระมหาเถระเป็นอันมากได้เรียนเอาในสำนักของพระเถระนั้นแล้วได้ประดิษฐ์านมหานิเทศไว้สืบมามหานิเทศนี้ก็ท่านภาษารีบุตรเป็นพุที่แสดงเอาคําสอนของพระเจ้าเอาพระสวดต่างๆธรรมะต่างๆนั่นแหละมานิเทศมันขยายไว้อย่างกว้างขวางมากปัจจุบันนี้มี่สองเล่มในมหานิเทศเล่มที่หกสิบกว่า หมายเทศสองเล่มชุดมหาบุกรราชาวิทยาไรจุลานิเทศเล่มหนึ่งคาถาวินิจฉัยเรื่องการรับรู้ปิยเป็นต้นในบาลีมุตตะวิเนยะวินิจฉัยสามกะหะจบแล้วภัยท่านเป็นผู้ทรงพระวินัยรักษาพระวินัยได้อย่างบริสุทธิ์ประชดนั่นผู้ที่บรรลุอริยสัจธรรมโดยเร็วพรานด้วยเทิดสาธุสาธุสาธุ